วันที่สิบนวันที่สิบสิงหาทอดผ้าป่าสมเด็จพระสังฆราชอยู่วัดป่าบ้านตาดทอดผ้าป่ามหากุศลสังฆราชบูชาร้อยพันศาคือลอยปีอายุพรนลอยปีบ้านในเขานัดประชุมมยวหกจังหวัดจังหวัดอุดร น, น้องคายบึงการสกล น, นคร น้องบัวลำพูจังหวัดเลยนัดมาไปชุวมกั น, นทอดผ้าป่าจังหวักนรเป็นนั่นแต่ว่าสมเด็จทั้งฝ่ายพระสง์สมเด็จพระวรนรัตน์วัดโวรวนิเวศที่เป็นวัดสมเด็จพระสังฆราชน่ะทั้งฝ่ายบ้านเมืองกทูนกระหม่อมฟ้าหญิงจุลาพรเป็นประธานวันที่สิบสิงหา แล้วก็วันที่สิบสองสิงหาไก่กันเด้ไก่มันเกิดท้งตายอีกวันีทำบุญบ้านตาเนี่ยมปว่าดับเบิลเลยวันไปดับเบิลทูแล้วันออไปงานสองงานซ้อนกันแต่ที่แรกก็คิดว่าจะเอาวันเดือนกรกฎาเนี่ยแหละทอดผ่าปลาวันที่สิบวันที่สิบสามสิบสี่กรกฎาวันนี้ทั้งหดาบุบสะดวก ก็เลยขอเลื่อนขอเลื่อนไปเป็นวันที่สิบสิงหาก็เล่นเนี่ยจะมีการทอดผ้าป่าวันที่สิบสิงหาหกจังหวัดคณะสงฆ์พร้อมกับคณะสัทธาญาติโยมพี่น้องลูกหลานชาวบ้านไปทอดผ้าป่าสา ม, มกีตตอนบ่ายเพื่อสมทบทุนสื่อเครื่องมือแพทย์ให้โล่งพยาบาล พญาพหลคนพโยหะเสนาจังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลประจำจังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลบ้านเกิดเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชเปินนไปสร้างตึกขึ้นมาแล้วตึกหาสัน่นแล้วก็ยังขาดเครื่องมือก็เลยบอกกาวทั้งคณะสงฆ์และคณะทั้งบ้านเมือง ซอยๆกันหาเครื่องมือตัวนี้ถ้าขอจากงบรัฐบาลกันรัฐบาลก็ยืมหนายืมหลังกู้หนากู้หลังอย่างที่เห่าเห็นนั่นแหละจากสี่หลอดบอหลอดกบะโปงเป็นนี่เป็นชินปลาลุงพลาลังพวกเห่าหนาจะซอยกันก็เอาซอยกันคนละไหม่คนละมือจากนันก้นจะคอยสื่อเครื่องมือแพทย ค, ค, ค, คือความเห็นของคณะสงฆ์คณะสัทธาญาติโยมจึงมีการโทษป่าป้าวันที่สิบนะจากนั้นก็เลยหลวงพ่อไปไประชุมคู่บากคู่บาใหมา่เขาโขนขึ้นมาเป็นกระตักคู่บาก็เชยดีใจตั้งหากไปซ่องพ่าป้าหลายล้วหตรงพ่อมาเห็นวายจะไปหารับหลายไปในคู่บาเอว แน่วจงิี่จะไปหารับมาหลายปนีแม่กูบาไม่ดีใจได้รับได้ส่องป่าป่าอะไรหลายแต่พอผู้ลงพอล่ะผู้จะมาแจกตอนนีที่โอ้โหตายตๆยตายงพ่อจะบอกับหลายได้กันซ่องป่าปลากขามาพาพราะขนาดนี้พ่อละลอยซ่องลอยซ่องลอยซ่อนี่พ่อละไปไปไปทางอื่นไปลงพ่อจะบอกสั้นได้อันนี้กู้บานี่กูบาไม่ดีใจต่างหากไปซ่องป่าป่าหลาย เพราะนั้นหลวงพ่อก็ได้แจกใยตะบาแล้ว เ, เมื่อเนีเป็นวันที่ส2บสองกรกฎาคมพุทธศักราช2 5ง5ัน้อยห้าสิบห้ามืออื่หนนะ้าพี่น้องคณะท่ า, า, ธ า, ธาญาติโยมลูกหลานทุ่นกระมอมฝ่ายหญิงสิจเดศพรกพระ อ, องค์เจ้าสิริพาจุทาพ่อนลูกสาวของเพลนแล้วก็นี่ล่ละ อย่างพวกเข้าเห็นกน่องบัญชาการทหารก็มาเตรียมพอมย่อถวายอักขาความปลอดภัยทุกหนทุกมูมทุกเรานะ่ะสามารถถวายความปลอดภัยมาแสดงความเคารพพวกพี่นอ้องประชาชนที่เขามากกับคงใดมั่งตอนเที่ยงมืออื่นและก็มือก็เป็ น, ม, ปนมือปนเสด็จกรับะพะฝ่ายด้านช่วงในวัด ของเฮ้าก็รู้เึกว่ามาลุ่มมาตุ่มมีพี่น้องชัดทาา่าญยัดง้มผูทิมรับเฉด็จทั้งส่วนราชการก็เข่าวบ้ามากมาทางทหารตำรวจยังพวกเข้าเห็นทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วก็พลเฉด็จเป็นส่วนพระองค์ไม่ได้มาเป็นทางการเฉลต์เป็นส่วนพระองค์มาบำเพ็ญมาปฏิบัติธรรม ของเพลนเพลินเฉลต์มาเพินก็บมาปฏิบัติธรรมเพินกะลีไปหลีกลีหลีกลเลนหาความสงบก็เหมือนกับเจา้าฝ้เาเจ้าเป็นดินสมัยก่อนเวลาเพินพักเพินเหนื่อยจากการจากงานนะคะรับเฉด็จไปพระราชอุทยานไปพักพร ทำอริยบทตามมัทธยาศัยในพระอุทยานของเพลนอันนี้เพิลนก็จะเด็ดตามวัดคือว่าตามที่เพินเห็นว่าเป็นที่สงบสงัดเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมในเพลนจะเด็ดมาวัดเท่าก็ถือว่าวัดเท่าเป็น ว, วัดถือว่าพวกเข้าลูกหลานสัทธาญาติโนมพระสงค์ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญอย่างมาก เจ้าฝ่าเจ้าเป็นดินเสดส์โหมเงินสิเสด็จง่ายๆเด้ก่อนเปิ้ลสีเสดส์เปิ้ลก็มองแล้วดูอีกคือกันก่อนเปิ้ลสิเสดส์ไปแตงโมองนาทีพวกเขานำไปโชคดีย่างมากพวกนั่นเองให้พวกลูกหลานทุกปู่ทุกคนเนอะอยู่ในความสงบความเรียบร้อยตั้งฝ่ายพระสงฆ์ขึ้กันก็ให้อยู่ในความสงบ สงสงบอยู่เลคูบายจานเพิ้ลพระปล า, าเป็นอยู่ในความงบสงบอยู่เลยอย่างจานเปินทะเลทลารเท่านั้นเหลอะทะเลทลาร์คือย่างหลวงตามหาบัวเปิ้ลวานมั่นพรมันเก่งพรมันกว้างทลเลทลาตื่นขนนะจะเป็นอย่างซันเดอร์หลวงตาเปิ้นสอนได้สอนลูกชิดลูกหาการมอ่งข้นขึ้นกันการเลี้ยวเบิงคนขึ้นกัน โมเมนต์ที่เบิ้งเธอเลยจากแต่เขามาจนหดป่งเพิ่นนั่งจนเขาอยากไอตรงตาว่ะเพิ่นจอนุศิษฐ์เพิ่นเลยพวกเข้าฟังไปเนะเวลาเบิง้งข้นเวลาเขายางมา้าเพิ่นยางมา้าไผก็ตามเพราะยางมาเน่ยเบิ้งปั๊บแต่ไกๆเป็นไผก็ะหูแล้วว่าเป็นไผอแล้วกับวัดองเบิง้งถูงจักแล้วว่าเป็นไผ่ปันแล้วเพิ่นกขามานั่งอนี่ยเบิ้งกับเบิง้งนั่น่ะ โมเมนตที่จ้องเบิงตั้งแต่เพิ่งยางมากจนหอดเพิ่นนั่งเบิ่งรัฐมนตรีก็เบิงพ่ะเบิงตั้งแต่ยางมากทีแรกจนหอดรัฐมนตรีนั่งพูอจัดท่ายานี่ยมมากจากท่างไก่ขึ้กันเขายางมากกับเบิงเธอเลยคือยังกว่างอยังฟ้านเบิงค้นเลยคนจนหอดเพิ่งนั่ ง, ง, ง, ง, ง, งอันนั้เมมาานเพิ่ ง, งว่าเบิงแบบเชิ อ, อสนันนลงตาเพิ่งสอนดกสิตสอนหลวงพอ่อหลวงพ่อยังจำไม่ลืมเลย เออมันแมนความเพลินเนี้ยการมองคนอย่าไปมองเถลอท ล, ลาามองแบบแพ็บเดี๋ยวกูเบิ้งก็หูจักว่าเป็นไผ่แล้วก็พ่อแล้วมแมนที่เบิ้งจนเขาอยากไอ่นี่แหละสิงมูนีขั้นหลวงพอบอกปวดสอนหวกเข้ากับิตเถลอทล่ากันใช่ไคือการกับกวางกับเก่งเบิ้งคนจนเบิ้งเบิ้งตาบกกรพิบกระบอกแมนแนวนะออก็ะสำร่วมก็ะสำร่วมพอสมควร บอเมี่กลมซำงักับบมนที่เบิดเทอเล่อกับบเมอการเขาบอกว่าเบิดเเล่อนั่งนั่งจะได้เบิดเทเล่อบากับไปกูตีเบิงกตั้งกระจกเบิงเห็เจ้าของนั่งแบบนี้ลกูนั่งแบบนี้ล้เขาเบิดเทอเล่นั่งมนนูนัเนยจะคอยลืมตาบอโอ้เธอเล่ออิริโ้หนิถ้าจะได้หูจักนั่งเบิดเทอเล่อนั่งกลมซำงั้มกันกลมซำงั้มจูเบิงจเป็นตเบิง เอออัน น, นั้นคืออันนั้คือกันแต่หลวงพ่อนี่ยคือกันนะวะกับผมไม่พอได้บอกผมไม่พอได้บอกหลวงพอลุงวออีเดินนั่งเอียงแสดงแง่จขงฉันในกรบปุกหูแล้วว่ว่าผมไม่พอได้บอกแต่หลวงพอกลัวว่างคือกันนะว่เออละว่างการนั่งการแสดงอากัปกิริยาการแสดงอากัปกิริยามันบอกบอกบุคลิกบอกบุคคลชนเยบอกตระกูลอีกต่างหาก บอกไปหมดการทางการยืนการเดินการเปลี่ยนริยบทเหตุแบบเรื่องเธอเลิศเธอาดบลืมเติมต่มตาม เ, เป็นประสาทบ่เนี่ยพวกเขาจะวาอีกกว่าเดิไปอมันเป็นประสาทบ่พระองค์เนี่ยข้นผู้เนี่ยเบิ่งเบิ ง, งนู้ลมันบอกมันบอกยี่ห้อเจ้าของเลยเพราะนั่นการที่จะกระทําชื่อใดก็ตามต้องเบิ่งเห่ละมัดระว่างพอสมควร แต่ก็จะไปเหตุจนเกินไปก็เหตุเกินไปก็เกินง่าอีกก็บบอแมนแนวดีอีกคือเขาค่อยๆจีบปากปีบ พ, พ่ออีกต่างหากอันนั้นที่มันเกินไปอีกคนออกไปนั่นแหละซึ่งเรานี่มันต้องมันก็ต้องได้เบิง์นนะมันต้องได้สังเกตจยางคือการพระบางองค์หลวงพอบอกเขาในที่ประชุมจริงเป็นพระผู้ใหญ่ เวลาเขาไปพระในทีไปชุ่ ม, ว ม, ม เ, นะ เ, เวลาปะน้มมืดเออเวลาสวดมนต์รับตาตเอามือถึงสี่แลว้วเมื่อามือถึงสี่แล้ววันหนึ่งเบิงเบิงแนละ้วมันบวชนาเบิงเลยก็เป็นผระผู้ใหญ่บางองค์เอาเมื่อข้าวถึงสี่แลว้วเมืบางองค์เอาถึงสี่แลอวทั้งใดสายศีลอมตามไม่เจียง ม, มันก็นต่องอยู่เน่ระวาง เห็นโมนไหหลวงปนบปนน้มเมื่อ็ทําเป็นกระพุ่มเหมือนกระดอกบัวอยู่ในระว่างอกอย่าให้ต่ําเกินไปอย่าให้สูงเกินไปบางคนปยบที่ปากของสิกระโมเมนแนวก็เราอีกมาหาที่ว่าปนบชิดปากเจ้าของจักแมนวอยังมุมมุมมามามุมมุมมามปากเมื่อไปไปบางปากเจ้าของอีกคนหนึ่งสียงโมนี่มันก็ต้องได้คิดอีกขื้นกันข้านโมบอกมันก็บงุ่มจักเองบางคนอยากให้เขาโลภลาย พอก า, ก, าก็จารย์หมอบอกอยู่ๆหนจะไปไปจะหูจักปากบางปากจะฟองเลอเวลาทิ่ว่ า, ม, ามันก็ต้องปั่นน้อมมือพ่อง่ามยุ่ในระหว่างข้อเลวยว่ายังเบาสัตถอยสัตข่ำยังคอยแมนเวลาเขาสังคมขึ้นกันมิได้สายศีลมากหรือสวดเสยันโตพระผูไ่ต่อไปจะเป็นพระผูไงและวก่านทางไหนทานน่านบซึกงนะ่ายย การขั้นมนุษยเป็นเป็ภาพผู้ใหญ่แท้ๆลงไปว่าห้าภาพผู้ใหญ่มาก็ห้าปนน้องเมืองศีแล้วเน่ยอ่างเกลือปนหยู่ในวางขายจดของคนน่ะจีนยกมือขึ้นว่าเป็ดจิตใจลักษณะกระโปรงเดยเห้าเห็นนะลุงพอเห็นนะดูบอดี้คนนั้นจบแล้วเอครูเมือเนี่ยยิ่งมีกล่องวิทยุทั้งมีโทรทัศน์กล่องวิดีโอเขาถ่ายไปอีกต่างหากเอี่หาแล้วเห็ุตําเร่ลำลายอยู่มันโมเมนต์แนลลไปเอเบิ้ง อากับกิริยาจังไหนเข้าอยู่เข้าเข่าสูชุ่มชนสังคมเข้าต้องมีมลญาตมันต้องกีดอากับกิริยาจังไหนเข่าสูชุ่มชนสังคมเข่าสูหลายๆคนยิ่งเข่าสูในระบบเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหนึ่งสเข้าตอมละเวงระว่างต้องมัดระว่างคันาวายูเข้าอยู่ผู้เดียวบวากันแล้ว เออเอาไวต้ตผพาดสมบงเถอะนะแก้มัดพ่วนก็ได้พอเอาไปอเออเพล่เพเตะใส่เตะคอยอต่างหากพอนเอาไปไม่ยุบผู้เดียวเลยไปที่เห็นไหมกันดูสองคนเหรอวะโบแมนเพลินี่เป็นบ้าดว่เออกันดูสองคนเขาพูดนึ่งเบิ่งเลยว่าโบแมนเพลินี่เป็นบาดว่นนนานี่เออ เ, เพราะมันเห็นกันได้มั็นหมดสองคนหมดแล้วกันยู่ผู้เดียวบมแล้ว เนี่ยมาพ้ปเป็นบมากกูหุ่จักกวดแก่กูยอะกูหุ่จักกูกูเป็นยังฮะเนีกูเป็นยังไงถูกจักยกของตัวเ น, นี่ยขันยูสองคนให้ละว่างเลยนั่นแหะขันสามสีคนหาคนเงินไปแห้งละบาดระว่างอีกต่างหากบานนี่ยยิ่งเขาไปอยู่ชุ่มชนสาคนชั้นสูงเข้าไปอีกขี่มีกิริยาบรรยาทช้าวต่างชาติเขามาอีกประเทศนี่เขาเฮ็ดยังไงเมื่อเขาไปหาการ จไปฮานบมือเส๊เขามันก็บอมแมนแน่อีกเขาก็ต้องสิคแคนแมนบมดละเออจังสี่แล้วเออจะไปหานบมือกอซอแกซแซไปทุกประเทศมันก็บอมแมนแน่อีกมันพิดประเภทเขาเขาก็ต้องหูจัก เ, เนี่ยประการละเทศารการสถานที่บุคคลพระพุทธศาสนาเปิ่นสอนใบมดเด้บอมแมนเปนิ่นจุบสอนเด้เว้ยเป็นอยนนน่างไรก็คือเกขานั่นแหละื อ, อมแมนจังสันเด้เห็นบูพระเพิ่นสอนพระพุทธเจ้าสอนวิดไน สินสองรอยี่สิบเจ็ดข้อเนี่ยเราจะไม่ฉันดังจับจับจับจับคืออย่างไงพ่ออาหารเข้าไปสิเนี่ยมันเบิ่งมันง่ามบอลระบาดเออเราจะไม่ฉันดังสู้ดสู้พ่อฉันบักพริกเผ็ดเข้าไปไอ้หนุ่มมันกบกับบอเมนแน่อีคือกันนวลออกไปเนี่เออเราจะไม่ฉันเลียมือนี่พ่อเข้าไปก็เลียมือปอแปบปอแปบเลียทั้งริ้วมือพร้อมเลียทั้งฟ้ามือพร้อม มันง่ามบาลบาลมันก็บอกมืนง่ามเราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียริมฝีปากพ่อเข่าเข้าไปเลยเลียริมฝีปากแล็บอวแล็บอวเบึเ้งๆพอปั่นงูมันก็บอกเมือนงา่นงาอีกแล้วเราจะไม่ฉันทํากระพุ้งแก้มให้ตุยพยัดเข่าพยัดเข่าจนยำโมเป็นเนี่ยยำพวกปันเล็กน้อยเคี่ยวเขา่าเออกระพุ้งแก้มมันตุยไงเออยัดเข้าไปยำโมเป็นไะ เนี่นี่แหละเมื่อคำข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดนีเพราะกินเข่ากําลังฉันเขา่าเยอยเวลาเบาไปคำเข่าจะจิตตกไปใส่จานผู้ใดแเดวนะไปมันก็โมแมนแนลอีกคือ น, นเร า, เาเนี่ยเบิ่งเลาเบิ่งรู้บ่ายง่ามบอกที่พระพุทธเจ้าเป็นสอนไว้ศีลและวินัยของพระเนี่ยเพื่อนเป็นกษัตริย์เดะเป็นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพื่อนต้องสอนระบบสอนวินัย ให้ทุกซีดเนี่ว่าสากยบุตรบุตรของเพิินเฮ้าเนี่เป็นบุตรพระพุทธเจ้าเลยทั้งที่เฮ้าเป็นตาสีตาสาแต่มีแต่มาภัย์กระพมูลล่ะลูกไพรกระพมูลล่ะแต่พ่อเขามาบวชคล้องผ่าแบบนี้กันอไปผ้ากาสาวพัดใส่ยูนิฟอร์มแบบนี้อันนี้แหะคือลูกของพระพุทธเจ้าพุทธชินโนรถจากกายบุตรจากกายบุตรคือสากยะพระพุทธเจ้าเป็นสากยบงเนี่ย ศากยบุตรพุทธชินโนรสเฮ้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นตระกูลศากยะเลนะการว่างตัวว่างแบบไหนนะการฉันชันแบบนี้นะเราจะไม่ฉันพลางฉบาทมือพลางเราไม่ชันโปรยมเมล็ดข้าวให้ตกลงในบาตหรือในที่นั้นๆนะเราจะไม่ฉันแแบบเล่นเราจะไปฉันดังจับจับเราไม่ชันดังสูดสูดเราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันกัดคำข้าว มูนี่มันเอไปข่าเหนียวมากเนี่เป็นขำข้ายาวๆแลย ก, กัดข้าเข่ามันก็บอแมนแนลอีกอันนี้นะคือวินัยสิลของพระไปเบิ้งมาเนี้ย อ, อย ย, เ, ยเนี่เสขยยวัตรวัดที่ภิกษุจะต้องศึกษาเรียกว่าเสขยียวัตรเสียคียวัตรจัดเป็นสี่หมวดหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสารูปหมวดที่สองโภชนะปฏิสังยุตต์หมวดที่สมธรรมเทศนาปฏิสังยุตต์หมวดที่สปกินากะเนี่แหละให้เข้าไปศึกษา สรุปลยคือมี7 5หาขอ้อเสกียวัดร75นี่แหละที่หลวงพอบอ้ฟังบอแมนหลวงพ่อสีบอเอาตามความคิดเห็นเจ้าของในเจ้าของหมักแบบนี้กับบอตามแบบนี้บอแมนเมืองบอเองตามลักรรำคําสอนของพระพุทธเจ้าการปนนบมือการเขาสูชุมช่นการมองคนน้นการแสดงอากับกิริยาต่อชุ่มช่อนและสังคมควจะเหตุอย่างไร ถูกต้องเหมาะสมสำลุ่งกายว่าจา๋าจังไดในการที่เข้าเข้าเขาไปหาชุ่มชนนั้นๆัสิ่งเรล่านี้หลวงตามหาบัวหลวงพ่อยกให้เพิินได้เยี่ยมที่สุดเ่อพรว่าเพลินได้เป็นมหาอีกตัางหาเพลินเขานอกออกในอีกตัางหากเพลินจักข้นแะทุกระดับอีกต่างหากแต่หลวงพ่อเป็ น, เ ป, นเป็นพรป้พาพรดุง มาทางตุอย่างทิวานี่ยนะแต่ว่าถึงยังไงก็ได้รับทราบจากคูบาอาจารย์่ิดติเงี้ยในฝังมากเท่าไหร่ก็มาถ่ายทอดให้ลูกให้ล้านให้พระให้เน้นให้ญาติโยมติดติเงี้ยในฟั่งว่าการเป็นพระสองฆ์องค์เจ้านี่เพิ่นทิว่างตัวแบบไดเพิ่นเฮ็ดยังไงนี่คอยถูกต้องเหมาะสมสวยงามสมณะสารูปการประพฤติปฏิบัติตนของพระสงฆ์สิ่งเหล่านี้ เมื่อเข้าในหินจากลงพอไปเลยไปคิดปวงโนบัตถ์ถูกต้องบหมาะสมบ่บการพูดการแสดงอากับกิริยาในสาธารณชนคือกันบอแมนที่นั่งไปแล้วก็ขาไกวห่างพูดกับเขากับผูกกับพ้นไปใส่จิตตนั่งตรรมภพเพียบที่เขานั่งเก่าอีหากไกวห่างตัวเองไปจินั่งตรรมภพเพียบมันกับบแเมนแนลอีกมันต้องดูกาละเทศะ การสถานที่บุคคลเมื่อเขาไปหากลุมนี่ยเขาจะปฏิบัติตนจังไดเขาสีพูดจังไดแสดงอักบัติริยาจังใดในชุ่มช่อนนี่เพื่อให้ใช้ปัญญาทั้งหมดในหลักของพระพุทธศาสนาในอย่างที่หลวงพ่อเคยบอกค่ะนว่าเข้าไปฟั่งหลองล่ำถําเพ่งเข้าจะไปนั่งตะมัพเพียบนั่งคาสมาทิฟั่งมันกระบอลแมนแน่อีกค่ะนว่ามหาพระสงฆ์องค์เจ้า คือไปตบมือหอละห่หานี่คือการก็ไปฟังห ล, ล่อลำทาเพ่งมันกระบอแมนเดลอีกก็ต้องนั่งฟังอยู่ในความสงบปน้มมือฟังนี่แหละสรุปเรื่อก็คือการสถานที่บุคลคลคณะผ้าเฮาหรือจ้า ก, การสถานที่บุคคลไปอยู่ใส่ตะบกขวางเขาละยังมือขึ้นกันสวดเขาสวดมนต์เสียงจังซี่เข้าก็ต้องฟังเสียงจังซี่เสียงขนาดนี้เข้าก็ต้องฟังเสียง ในมือเข้าออกเสียงบ่ได้เข้าจะไปหาออกเสียงไหมแต่งดไว้ปัดปุ่นไปหอดกุฏีเข้าเข้าจะฟอจะได้เขาออกจงได้เขาออกโปดปานเนี่ยอยู่ผู้เดียวเนี่ยกันอยู่กับมูอเข้าจะไปออกได้ยังไงออกเสียงยัง่งมันบมเมนต์เนยมันขวางมูอฟั่งแล้วมันขวางพ่อปานเสียงมากแตเสียงควายมันห้องใช่กันจังไงเขาไปฟั่งมือน้าบาานี่ยังทีหลวงพ่อฟาเสียงยังไงเอาหลับพ่ออาโมทนาให้พร